ขอความสุขความเจริญจึงมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทรรจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะเสนอเรื่องประวัติของระตปาลเทระระมาถึงช่วงที่ท่านไปเยี่ยมญาติโยมหลังจากบรรลุมร ก, ก่ผลเป็นพระหันแล้ว เดยโยมที่บ้านจำไม่ได้แล้วก็โกดพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าโกดลูกชายที่บวดแล้วก็ไม่ทำบุญไม่ตักบาตรพระเทราก็เดินเลยไปพอดีก็ไปเจอนางทาสีของบ้านนั่นแหละก็มลังจะเอาขนมบูรไปเททิ้งพระเทราก็กล่าวว่า ถ้าขนมนี้จำจะต้องเททิ้งก็ขอให้เททิ้งลงไปในบาทของท่าน้าให้นางทสีซึ่งข้าไปใกล้ท่านเนี่ยจำท่านได้แล้วก็จำเสียงได้ก็รีบมาบอกโยมมาดาบิดาโยมมาดาบิดาก็ตกใจรีบไปดู ประกฏว่าพระเทลักำลังช่ากำลังฉันขนมบูดอยู่โยมทั้งสองจะต่อว่าต่อขานก็ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็นิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านแต่ท่านก็นะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วตล้ก็นิมนต์ใ้ฉันในวันกุ้งขึ้น ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองพัญญาอดีตพัญญาของท่านประดับประดาร่างกายสวยสวยงามเที่อแล้วเข้ามาพบกับประเทรักก็ได้เจตนาในเรื่องกามคุณมุ่งที่จะแสดงอาการยวยงยวนต่อพระเทราแล้วก็ถามในธรรมนอง เทียบเคียงตัวเองกับเทพอัศนรซึ่งเคยคิดว่าประเทลรออกบวชเพื่อต้องการได้นางเทอพอภัศน์ก็เรียกว่าภวามจะผิดออกมากๆทีเดียวเธอถามว่าก้าแต่พระลูกเจ้าเรานางอัศนรที่เป็นเหตุให้ท่านประพุษธภูมิจันทร์นั้นเป็นเช่นไรเจ้าคะ่ะ แล้วก็เริ่มต้นก็เล่าพะโลมโยโยนด้วยกิธการตา่างๆในที่จุดพระเทราก็เห็นว่าควรจะพูดจาให้เกิดความเข้าใจเราเรียกว่าเทศเรื่องโทษของกรรมเป็นการใหญ่ที่มีหลายคาถาด้วยกันก็เจ็ดแปดคาถาก็าแรกต้งกล่าวว่า เชิญดูอัตภาพที่ถูกสร้างให้วิจิตมีปากแผลข้าวแห่งมีกระดูกกระเส้นเอ็นยึดติดกันไว้มีความเจ็บค้ายได้ป่วยอยู่เป็นนิดซึ่งคนเป็นนั้นมากคิดถึงกันไม่มีความยั่งยืนมันคงเลยแล้วท่านก็เตือนว่า เดินดูรูปร่างที่ถูกทำให้วิจิตด้วยแก้วมณีและแก้วคุณคนมีกระดูกอันหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยเสื้อผ้าต่างๆซึ่งก็หมายความว่าในแง่ของโลกอารมณ์โลกเกื่อมที่ยังเกิดความกาหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวหมองอยู่ ทำ ง, งามตามปกติแล้วสังคมก็จะจำแนกเป็นสี่ระดับแต่ทั่วไปมันก็มีเพียงสองระดับครับ แ, แรกก็คือ ง, งามในส่วนของการประดับประดาตกแต่งด้วยเพื่อภผพาแพรพัน์ที่สวยงามวนที่พอใจเขาก็กำหนดว่างาม อีกแนวหนึ่งก็ความงามแห่งสรีระก็เรียกว่าสุดทรงสันฐานรูปร่างหน้าตาที่กำหนดกันว่า ง, งามแล้วคนก็ยึดติดพ อ, พอใจจิตใจในความงามประเภทนีวรรณะดีภัญญาของพระเจราก็มุ่งความงามสองระดับเนี่ย เธอจึงประดับประดาตกแต่งร่างกายอย่างสวยงามก็หมายความว่างามทั้งสื้อผ้าอภรและก็งามทั้งส่วนร่างกายแต่พระเทลาก็ได้แสดงความจริงของร่างกายให้ปรากฏในขณะเดีวยวกันก็ทรงย้อนไปถึงกติของชาวโลกที่พอใจความงามซึ่งเกิดขึ้นจากการประดับประดาตกแต่ง อย่างที่อดีตพัญญาของท่านตกแต่งมาแล้วนี่นตามปกติแล้วคนจะไม่ค่อยใส่ใจติดใจหรือสนใจความงามในฐานะที่เป็นผู้ ด, ดีคือมีสมบัติผู้ดีคุณธรรมมัญย่ที่สวยงามทีม่วาจาที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานมีกิริยาการที่อ่อนน้อมมีจิตใจที่อ่อนโยนนั้นไม่ค่อยสนใจกัน ถึงถือว่าเป็นความงามที่ทรงคุณค่ามากแต่ความงามที่พิเศษที่สุดก็คือมีคุณธรรมในภายในใจเป็นหลักย็บเหนียวใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือมีขันติความอดกลัน้นความอดทนความทนทานความไม่ อ, อ่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆและมีโสระจะคือความ ช่้มขึ้นเบิกบานอยู่ภายในใจแม้จะเจออารมณ์กระแทกกระทังใจให้เปลผันไปด้วยประการต่างๆแต่ว่าก็อกลั้นอดุดทนต่ออารมณ์กระทันเอาไว้แล้วก็ไม่ตกค้างอยู่ภายในใจคือภายในใจก็ยังมีความ <c oughs> มีความเ่้มขึ้นเบึกบานอยู่เดี๋ยวข้อต่อไปท่านก็ สแสดงรูปแบบที่สังคมกำหนดว่าสวยงามสำหรับสังคมอารยันนะคคือดูแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยบ้านเราไม่มีอาจจะมีบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฉันบอกว่าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดคือตามปกติสมัย น, นั้นก็คงจะผู้หญิงก็จะย้อมเ ท, ท้าด้วยสีแดงสด แล้วก็ส่วนเล็บ ก, ก็เข้าใจว่าคงทาเล็บแดงๆอย่างที่นิยมทากันอยู่สมบคนบางพวกแล้วก็ใบหน้าที่้ายทาไว้ด้วยแป้งซึ่งหมายความว่าความสวยงามตรงนั้นก็ดีความหอมของแป้งก็ดีไอร่องรอยต่างๆบนใบหน้าที่ลบเลือนไปก็ดี มันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงเพราะว่าส่วนที่มีร่องรอยต่งตางๆก็ถูกแป้งไปอุดเ้าไว้กลิ่นของร่างกายก็ถูกแป้งกลบเกลื่อนเอาไว้ก็ทมให้ใบหน้าก็เรียกว่าอะไรล่ะขาวพองเป็นยองใหญ่ก็นิยมชื่นชมกันอยู่มาก แล้ท่านก็บอกกาแป้งฝุ่นนะฮะคือแสดงว่าในสมัยโบราณเนี่ยแป้งก็คงอย่างคล้ายคลึงกับในสมัยปัจจุบันคือเป็นฝุ่นหรืออาจจะทำให้เป็นก้อนแต่ว่าก็ขยี้ให้เป็นฝุ่นเวลาจะทำพ อ, อที่จะหลอกคนโม่ให้หลงได้ หมายความม่าภาพรักษ์ในลักษณะนั้นแนละโคลนโม่ที่ไม่ได้คิดไม่ได้มองไม่ได้ทาความเข้าใจเนี่ยก็หลงไหลที่เราพูดกันว่ารูปงามเนี่ยอะไรงามรือกิ่นหอมเนี่ยอะไรมันหอมสัมผัสที่น่าจับต้องเนี่ยอะไรที่น่าจับต้อง รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่นำมาโปะโลงทางนั้นมันไม่ใช่เนื้อแท้ของสังขารร่างกายที่มีโครงสร้างดังที่สระเ์ร่าได้กล่าวไว้ในตอนต้นเป็นหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้เลย มายความว่าถ้าคนเข้าถึงความจริงของเรื่องเหล่านี้ภาพลักษณ์ในลักษณะนี้มันก็หลอกไม่ได้เราก็เจอเรื่องราวพระเทระที่ป่ท้ากับมารุมในลักษณะนี้แรงๆแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดเป็นตัวอย่างเป็นอันมา อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระสุนทรสมุทรมันก็ลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่ว่าอาจจะโลภผลโจรทยานมากกว่าเพราะว่าพระสุนทรสมุทรท่านเป็นปุถุชนดูในขณะนั้นแต่ว่าระรัตตปาระนั่นเป็นเป็นกระหันแล้วแล้วการวยู่วันเนี่ย นักระโศเพนีเขาล่อนิมนต์ท่านให้ขึ้นไปชั้นอาหารที่ชั้นที่เจ็ดซึ่งก็อยู่ระหว่างเธอกับพระเถระแต่ในที่นี้ก็มีคนในครอบครัวอยู่ด้วยนางจะแสดงกิริยาอาการประลาบประโลมอย่างไงก็ตามโอหองจะไม่ประเจิดประเจิดมากเกินไปก็เป็นเรื่องง่ายสมมาพระเถระ แต่เป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับรสุนทรสมุทต์ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันได้รับสั่งกับราหนดว่า อ, อ น, นุนสุนทรสมุทต์กำลังทําสงครามใหญ่ประนวนกลาบทูลว่าใครจะชนะพระพุทธเจ้าคะรับสั่งว่าสุนทรสมุทตจะชนะและในที่สุดพระเถพรั ก, กชนะได้จริงๆ คือใช้กริยอาการภาพลักษณ์ต่างๆที่ยั่วยวนถึง48วิธีนะดูไปดูมากลายเป็นโครงกระดูกก็เจ้นกระดกกระเดกกระดกกระเดกแล้วก็กลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลลอยออกั่งช่องหน้าต่างเปิข้าวพระพุทธเจ้าที่เปยช่วตะวัน กรณีถือว่าเป็นมหายุทธ์สงครามขนาดใหญนะ่ที่จะต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านให้ได้เนื่องจากมันเป็นอารมณ์เรียกว่าลุคิยารมณ์ุณสโลมันก็อยู่ท่กลางระดับการ ม, มาวัตรภูมิ้าใจไม่เข้มแข็งจริงๆจอยาก ในที่นี้ก็ไปเจอผู้พิชิตมาแล้วท่านบอกว่าแต่หลอกผู้แสวงหาฝั่งคือปณิพานไม่ได้เลยหมายความมาคนที่มุ่งสู่นิพานเนี่ยมันต้องใจเด็ดเดี่ยวมากๆอาการของความโลภโกรธหลงมันสมบุกสมบรไปเยอะมายึดติดในทรัพย์รินคารนต่า ง, างๆทั้งสิ้น พระตา บ, บาละเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสุพรรณสมุทรเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเราก็เห็นว่าเมื่อโลภมันลดนี่ราคามันก็ลดโทสะมันก็ลดโมหะมันก็ลดกิเลสมยตจางคลายลงไปจิตใจของท่านก็มีความแข็งแกร่งมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว จึงแสดงให้เห็นถึงความจริงในเรื่องของร่างกายก็เป็นแนวของอสุภกรรมฐานนั่นแหละหมายความว่าให้เรียนจากร่างกายเราเองเลยยิ่งกระดูร่างกายว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องตกแต่งเอามันไม่จริงหรอกความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ อย่างนี้เราก็อาบน้ำทำร่าร่างกายกับสีชุย ว, วันมันก็สะอาดขึ้นแต่ถ้าลองตั้งเวลาเราจะเห็นว่าอยู่ไม่ได้กี่ชั่วโมงอาการที่แท้จริงก็จะแสดงออกมาเรื่อง น, นี้จะต้องคิดบ่อยๆนะพราะที่บวดเนี่ยเ็าเรียกอุปชายยะให้ประขันหาเล็ม จะมาต่อสู้กับอารมณ์โลกเผื่อพิจารณาภาพรวมของร่างกายรอบประกอบด้วยผมขนและฝันนังเะเลพราะร่างกายของใครก็ตามของเราก็ตามของใครก็ตามที่เราเห็นจริงๆเนี่ยก็คือผมขนและฝันนังอย่างอื่นมาถูกคุ้มห่อไว้ด้วยหนะังเราก็ไม่เห็ น, นหรอก ก็ต้องไปศึกษาจากซากศกบ้างจากป่าช้าบ้างตอนที่ก็น้อมนึกกอจากซากของสิ่งต่างๆบ้างแต่ว่าตรงนี้ใครจะแหลมคมขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนมัก น, น, นก็แลแ้วแต่นะมันยังมีกรรมาฐานประเภทที่เรียกว่าอาหารเรปติกูลสัญญาก็พิจารณาจากอาหาร พอในอาหารนั้นก็มีเนื้อสัตว์มีอะไรต่างๆอยู่เยอะบังทีก็น่าหวาดกลัวทำเนื้อสัตว์ที่ใหญ่เจนเนื้อหมูเนื้อโคเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้ออูดเนื้ออะไรต่างๆที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็น่าสยดสยองโดยเฉพะชิ้นโตๆแล้วก็นูนแล้วน่ากลัวอย่างพลัืองที่เคยดูภาพยนต์ครั่งเนี่ย เอาเสียบแล้วก็อังไฟไว้แล้วก็มาถือมีดมาเฉือนเอาไปกินกันอย่างงั้นดูแล้วมันน่าสะดุง้งน้าหวาดกลัวหน่าขยะแขยงแต่เขาก็คุ้นชินเขาคุ้นชินว่าเขากินได้แล้วเขาก็ชอบเป็นคา่านิยมของเขาบางทีทะเลเปิ ด, เ ป, ดเปิงหายไปจนถึงเป็นของดิบเมื่อ ด, ดิบ ปาดิบอะไรต่ออร า, งตางๆดิบๆกินเข้าไปบางทีก็อะไรเราเป็นลูกเป็นลูกเราเป็นลาบอะไรลาบเลือดลาบเลือดก็เรื่อลาบเลือดเอยไปเจอที่ต่างจังหวัดทีหนึงแต่เห็นหเฉยๆนะคือปลาท่านคงนึกออกท่านดีไายเด็กยกออกไว้ ก, ก่อนก็เลยไม่ได้สัมผัสตรงมองเห็นแป๊บเดียวท่านก็รีบ เราก็มองงงๆนะเรวยังไม่ได้นั่งเดินมาเพื่อจะเข้าวงกันอาหารโอย้ยเลือดแดงๆอยู่ในภาชนะเราก็สลุมเราก็ยืนงงอยู่ตรงนั้นตาว่าตันเห็นข้าวก็รีบสั่งรูกศิษย์ให้ย้ายออกไปแล้วก็ไม่สอบถามแล้วทุกวันก็เจอกันก็ไม่ได้สอบถามเลย โะรมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นคนที่คุ้นชินกับเรื่องเหล่านี้เขาก็รับประทานได้ก็ฉันได้เป็นเรื่องของเขาเราเองเราไม่เคยเห็นเราไม่คุ้นชินเราก็รับประทานไม่ได้แต่อยากนึกว่าสมมติว่าเจอข้าวในหิวยังไงก็ไม่ยอมหยองยังข้าวเราดีกว่า อย่างเข้ากับน้ำปลาอย่างก็เกลือดีกว่าพอให้มันผ่านลำคอไปได้ก็พอแล้วขนาดไปเล่นอาหารขนาดนั้นก็อาการนะวัะลกษณะของพระเพราคือท่านไม่ได้บอกตรงตรงว่าฉันแสวงหารทิ่พานนะ แต่ไม่ได้สวัหาเทพอศ น, นะมันก็รู้สึกจะหักฐานจิตใจก็เถอมากเกินไปแต่ก็ล่าทุงสัตย์จะทำแต่มันเกิดขึ้นไปในใจคนเนี่ยว่าเราอย่าได้ตัดสินใจตามที่เราคิดว่าเมื่อเราเห็นอย่างนี้คนอื่นจะต้องเห็นอย่างนี้ด้วยมันพื้นฐานทางใจคนมันต่างกัน ก็ยังที่เคยเล่าเรื่องพนนหลายครั้งเราเห็นว่าตอนแรกเนี่ยท่านติดใจในเจ้าสาวกูเจ้าก็นําเที่ยวชมนางอักษรแล้วก็ติดใจนางอักษรอยากได้นางอักษรอยากได้ด้วยแล้วก็เจนรู้สึกเบื่อนหน่ายเหมือนกันนะ่ะเพราะว่ามันเจอทุกคนอยากได้หมด และพอพุทธเจ้าทรงใช้วิธีกระตุ้นขัตยะมานาเกิดมาทรงรับเป็นนายประกันที่จะให้ท่านได้นางอักษรโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเจริญธรรมนัตธรรมที่สำคัญย่างยิ่งก็คือไปรับสั่งเล่าให้เพื่อนเพื่อลรบฟังด้วยว่าพระองค์เป็นนายประกันให้แก่นันทะเพื่อให้ปฏิบัติพรหมจาร์จะให้ ด, าด่านได้นางอักษร ห0าร้อยคืนกอล้อว่าเป็นลูกย่างของพระพุทธเจ้าเป็นปฏิบัติการทางกิตติวิยาสลับทับซ้อนมากไปดนในสุดท่านก็เบื่อหน่ายเองเดาขอบอกคืนการเป็นนายประกันของพระพุทธเจ้าเองเมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นไปเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยท่านแสวงลูกียาลม เมื่อเข้าใจโลกอะไรชัดเจนขึ้นมันก็ไปแสวงหานิพพานนิพพานมันอยู่ตรงกันข้ามกับกามาคุณกับราคากับตัณหาพูดง่ายๆว่ามันตรงกันข้ามกับกิเลสอะตรงนี้มันเป็นการรับใช้กิเลสตอบสนองแรงกระตุ้นของกิเลสแล้วข้อต่อไปท่านบอกว่า ผมที่แต่งเป็นลอนเหมือนตามหมากลุกคือเราก็เห็นว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาแต่งผมเป็นลอนก็คงคล้ายๆกับมวยเป็นมวยผมอะไรทํานองนั้นนะเราทำเป็นตามหมกลุกแล้วก็ตาที่เยิ้มด้วยยาหยดตา ตาที่เยอมมันก็ที่ยิงมันก็หยอดเอาหยอดเอาด้อยา่ามันไม่ใช่เยอมด้วยตัวของมันเองแล้วผมที่ว่าสวยงามงามขมดำดําเป็นเงาอะไรที่เขายกย่องอะไรมันก็ตกแตกก ร, ระดาปดากันที่เงินที่ทองได้เยอะมากมายก่าอง เวนี้จนกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรการเสริมสวยต่างๆทำกำไรให้แก่คนที่อยากสวยอยากงา น, นท่านบอกว่าพอที่จะหลอกคนโง่ให้หลงได้ภาพหลงเนี่ยพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่หลอกคนพู้แสงหาฟังคือพริพานไม่ได้เลยปริภามีฟังหนึ่ง พวนีม้ม่ฟังเลวนี้เป็นอาการของทุกขสัตย์ในแง่ความจริงนะเป็นอาการของทุกขสัตย์แต่พอดีจิตมันไปมองด้วยอํานาจของสมทุทยสัตว์แปลว่าท่านที่แสวงหานิ r v านนั้นท่านมองที่นิโรธสัตว์แล้วก็มรรควิธีของท่านก็คืออริยมรรค คนละเรื่องเดียวกันเลยหมายความมาเดินคนละทางกันเราจะเห็นว่าเป็นเทศนาที่นิ่มนวลแต่พูดชัดเจนมากก็ไ อ, อะไรเพราะว่าอดีพัญญาของท่านก็คงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่มาคือไม่ยึดติดในรูปกายมากเท่าไหร่ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระเขมาเถรีกด็ดีแล้วก็พ ร, รปปะนันทารูกปนันทาไอ้พิรูปปนันทาซึ่งเป็นพระญาติสามุกทรงสแสดงแรงคือเนว่าร่างกายนี้ประกอบไปช่องท่านข้าวเป็นนี่หลายข้าวไหลออกของสิ่งปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เทียบไปดูกับซากศพแล้ว เเรียกว่าให้ยาแรงเพราะว่ามันหลงไหลา ย, ยึดติดอยู่มากนนยาก็แรงเหมือนกันแต่ว่าไม่แรงมากคือไม่ถึงกับผู้ฟังใหรู้สึกกับตัวเองถูกย่ำดีถูกย่ำดี แล้วก็รูมินในเรื่องรูปร่างกายบานทีก็ไม่ค่อยได้เรื่องเหมือนกันนะฮะอย่างพระนางมาคันดิยาปุจจาคมุปมาร่างกายเหมือนกับหม้อที่เต็มไปด้วยอุจจาระโรงไม่สามารถที่จะถูกต้องแม้ด้วยเท้าได้อันนั้นวิธีการมันก็แรงไปจริงแหละคือว่า พ่อแม่เขาแรงไปพยายามบีบบังคับกดดันให้พระพุทธเจ้ารับลูกสาวของตัวเองไปเป็นเหสีอธิบายยังไงท่านก็ไม่ยอมเข้าใจเลยก็ต้องอุปมาอุปยเห็นแล้วก็ต้องเล่าประวัติความเป็นมาของพระองค์ให้รู้ว่าใครเป็นใครคํานี้จําเป็นจะต้องใช้เพื่อจะถอนการมราคะจากจิตใจของพ่อแม่ ตัวนามาคันยานนั้นก็ทรงรู้มาตั้งแต่ต้นว่าเธอต้องอาคาตพยาบาทแล้วก็ก า, ายกจะเถือถูกกรรมวิคิตเอาไว้แล้วเธอจะต้องเป็นเธออย่างนั้นแหละก็ปล่อยไปทราบกับข้อต่อไปรับสั่งว่ากายเน่าที่ถูกประดับด้วยเครื่องอลังการที่บอกว่าปูติสันดีโหคือกายมันเน่า แต่ทั้งหมดมันถูกประดับด้วยเครื่องอลังการมันอังการเลยจริงๆแต่เมื่อแต่งตัวกันอย่างแม้แต่การแสดงยกตัวอย่า ง, งการแสดงดิเก้ก็แดงแสดงมโนรายแสด ง, สด ง, สดงอะไรละ่ะเรื่องพวกนาตาดนซีทั้งหลายเนี่ยพวกนาฏกรรมทั้งหลายมันวิจิตพิสดารจริงๆ แสดงกันหรูเลิศมากๆากคนมองฉาบสวยก็มองเท่าที่เห็นมันก็มีความกำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นท่านกล่าวว่ากายเน่าที่ถูกประดับด้วยเครื่องอลังการเหมือนเหมือนเอายาตาอันใหม่งามิจิต เหมือนอปปองยาตาอันใหม่งามวิจิตรพอที่จะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่หลอกผู้แสวงหาฝั่งคือผนิพานไม่ได้เลยิพนานนั้นเป็นสภาพของจิตที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทุกข้ ก, ก็จะลงเหมือนกันมึงสังเกตว่าจะลงเหมือนกันแต่ก็ย้อนไปตอบคำถามแรกของอดีตปัญญาเนั่นแหละ ว่านางอับสรในสูงสวรรค์นั้น่สวยงามมากไหมเจ้าค่ะตีตา่างตีต่างว่าเออมันจะมีนางอับสรไม่ใช่ตีตา่างแล้วมันก็มีอยู่มันนั่นแหละแต่ท่านบวชไม่ได้สวยงามนางอับสรไม่ได้มุ่งหมายที่นางอับสร ท่านบวนก็ศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านเป็นดังพรานเนื้อชีดัดบวงอันนี้มาถึงตัวปัญญาละอดีตปัญญาละเพราะว่าเธอกำลังแสดงมารยาหญิงอะพูดง่ายมารยาหญิงคือสังคมอริยันเนี่ยมันมีอริยธรรมโบราณมาก เราพูดถึงห้าพัน 5, ปีหกพันปีจะ ก, กี่พันปีเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นสูตรไปหมดอมันพัฒนาจนเป็นสูตรไปหมดมารยายิงเองก็เป็นสูตรมีการเรียนต่อสู้เพื่อทําความเข้าใจกับมารยายิงตำนาเป็นเล่มเกวียนมากขนาดเล่มเกวียน ่อ เ, เรียนรู้ให้ทันมายาของผู้หญิงมีสำนักก็รมสั่งสอนกันเลยแบบตักกะศิลากันเลยในทาดกท่านเล่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งบรรทุกตานาเต็มเล่มกเกวียนมาเดินทาง ม, มาผู้หญิงก็ก็สอบถามว่าเป็นธรรมาเกี่ยวบอะไร บอกว่าเป็นละมาที่เกี่ยวกับมารยาหญิงกเ็เอเธอก็ถามมาเรียนจบแล้วยังเรียนจบแล้วผู้หญิงก็ชวนไปเดินดูบ่อน้ำเพื่อจอะให้ดื่มน้ำที่บ่อนะแล้วเสร็จแล้วเธอก็โตอไอ้ตะกูล ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ําช่วยด้วยคนตกน้ําอันนี้พอตาลีตาลานทําอะไรไม่ถูกเลยทีเนี้ยเลยจึงบอกกระโดดกระโดดที่กระโดดไปเขามันช่วยไอ้ทุกคนหลอกให้กระโดดตามเลยกนก็วิ่งมาเลยก็บอกว่ามีคนตกน้ําก็ให้ช่วยด้วยปรากฏว่าไม่ช่วยขึ้นมาแล้วเลยก็บอกให้ทราบ ว่าคุณยังไม่จบตำนาผู้หญิงอมายาผู้หญิงอเรื่องขนาดนี้ไปเิอนหน้าปัญหาขนาดนี้คุณก็แก้ไม่ได้แล้วก็ต้องตกลงไปในบ่อแล้วมีสุภาสิทธิ์ของสันสกฤตเขาพูดแรงแต่อาจจะพูดในเชิงดูหมิ่นผู้หญิงก็ได้ เขาบอกว่าลูกจระเขนะฮะพูดว่าลูกจระเคบอกจากกระปอกฟองไข่ก็ไหลลงแม่น้ำได้แล้วเหมือนผู้หญิงนี่เกิดแวมาถึงก็ไหลลงไระแสมารยาแล้วของอริย น, นี้เขาไม่เยอะนะฮะประโยคในลักษณะนี้คำพูดในลักษณะนี้ มันอาจจะเป็นเรื่องยุคสมัยมอาจจะเป็นทัศนคติหรือว่าความเชื่อถือหรือความปักใจของคนบางคนแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสาคนหรอกอาจจะเป็นบ้างบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรามัดระหะวังช่วยสำรวจระวัง ตัวเนี้ยตัวนี้เราจะเห็นว่าเธออยูโยนพระเพรากังต้องๆเลยตอนหน้าเลยทั้งๆที่พ่อแม่เขาก็ยังอยู่แล้วก็บงสาคนาญาติก็คงจะมาเย็นเย็นกันเยอะเลยนะอย่างเล่นหนังซึ้งๆหน้าเลยพระเทราท่านก็บอกว่าเธอเป็นดังพรานเนื้อที่ดักบ่วงไว้ ที่ทำมาทั้งหมดที่แสดงมาทั้งหมดที่มารยาททั้งหมดมันก็ทำแบบพลันเนื้อที่ดักบ่วงเอาไว้บ่วงคืออะไรบ่วงคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสแล้วไปกระตุ้นบ่วงคืออารมณ์ซึ่งที่เธอคาดหมายเนี่ยคาดหมายเนี่ยว่าพระเทระออกบวเพื่อนางอับซอง ดีจดผิดม า, าตั้งแต่ต้นตอนวิธีการตั้งหลายจริงล้มเหลวไม่ไประสบความสำเร็จแต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อผ่านเนื้อกำลังค้ำควรอยู่เนี่ยอาตมาผู้เป็นเนื้อฉันอาหารแล้วก็จะไปคือเนื้อไม่ติดบ่วงหรก เป็นการบอกเป็นการให้สติเป็นการตักเตือนว่าวิธีการที่คุณทำํำเนี่ยธรรมาก็เหมือนกับเนื้อตัวหนึ่งที่คุณเจตนาจะดักแต่มันดักไม่ได้ออกไาจานข้าแล้วจะกลับแล้วเป็นการตัด ความที่เนื้อหาไหลออกไปจากจิตใจของอดีตพัญญาแล้วท่านก็กล่าวกล่าวว่าบ่วงของนายพรานเนื้อขาดไปแล้วเมื่อไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อเศร้าโศกอยู่อาตมาผู้เป็นเนื้อฉันอาหารแล้วก็จะไปดังนี้นี่ก็เป็นเป็นเทศนากันหนึ่งแหละ แต่ว่าท่านกล่าวเป็นฉันทลัก์ก็ฉันทลักมันก็ฟังนิ่มนะฮะฟังนิ่มก็ไพเราะในเชิงฉันแต่ก็ทำให้คิดก็ยังนึกว่าโดยเฉพาะเพลงทั้งหลายนีนะก็ได้ยินเพลงมาตั้งแต่เด็ก เขาเรียกว่าเป็นกับถาปฏิปทีปฏิสังยุทธ์ด้วยการทำเพลงปลุกใจก็ปฏิสังยุทธ์ด้วยความอาฆาตพยาบาทบัหรือปฏิฆะและบางครั้งมันก็มอมเมาให้ลุ่มหลงเพลินส่วนมากจะเป็นเพลงรัก แต่ไปเกี่ยวกับคนกับธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมต่างๆจงกลายเป็นจินตนานการที่หรูเลิฟคล้ายๆจะเป็นจริงแต่มันก็ไม่เป็นจริงอย่างที่ว่าทีนี้ประเด็นที่ต่างกล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยคือที่ต่างกล่าวไว้เนี่ยมันอยู่ในพระบาลีนะฮะอยู่ในพระบาลีไตรปิฎก ขัถาเหล่านี้ยอยู่ในพระบาลีพระไตริฎกแต่ว่ามันก็มีข้อความมีนัยาที่จะต้องไขความพระาอาจารย์ท่านก็อธิบายความบางคำเช่นถูกสร้างให้วิจิตชื่อว่ากิตตกาลตะที่ถูกสร้างให้วิจิตด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และพวงมาลาัยเป็นตน ก็ยังนึกนึกภาพไม่ขออกไว่าไอ้มาลาขันทวิเลปานังประการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสมัยนั้นทำไมจึงประดับพวงมาลัยแตก่ก็จริงคนบ้านเราเว่นี้ก็ประดับผวมาลัยประดับดอกไม้แซมผมแซมหูแซมอะไรต่อะไ ร, ะไรต่างกันก็แสดงว่าความคิดยังวนอยู่กับทีเ่เดิม ภาพที่ประดับตกแต่งด้วยวิวะนน้อยใหญนะ่มีความยาวเป็นต้นในที่ที่ควรอยู่ในที่ยาวเป็นต้นหมายความว่าเครื่องประดับต่างๆมันก็อยู่ในที่ที่มันควรอยู่ได้สัตว์ได้ส่วนก็เรียกว่าสมสัดส่วนก็ดูแล้วก็สวยงามเพราะว่าในสมัยนั้นเขาไม่นิยม เปิดเผยเอาวเ้เลยวะก็คกล้ๆกับวินัยของพระเนี่ยรอยเต็นว่าพระห่มจีวรหรือนุ่งสบงเนี่ยมันจะต่ำกว่าครึ่งขข้งนิดหน่อยหรือถ้ายัางสูงก็ครึ่งขข้งคือไม่สูงมากกว่านั้น คือถ้าหมจีบอลข้าบ้านก็จะเห็นว่าที่ประกฏจริงๆก็คือตั้งแต่คอขึ้นไปแขนนิดหน่อยเท้านิดหน่อยแต่เท้าพอถึงบดนั่งก็เรียกว่านั่งเก็บเท้าก็แม้เท้าผุออกมาในลักษณะที่ไม่สวยงามเรียกว่าปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิด การแสดงโอ้โอวดต่างๆมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทางวิว่าไปเปิดเผยหมดมันก็มันหน้าขยาขขยงหน้าหวาดกลัวแล้วท่านก็บอกว่ามีของไม่สะอาดไหลออกมาทางปากแผลทั้ทงเก้าแห่งและทางขุมขน ในขณะเดียวกันร่างกายเราก็เป็นแผลเยอะทั่วไปหรือว่ามีแผลเยะเป็นกลุ่มๆ ม, มีทางเข้าทางออกของสิ่งบติกูลนี่เยอะเวลาเรามีแผลอะไระเราเห็นว่าอะไรก็ไม่ว่าไหลออกมาเยอะแยะไปหมดคือบางทีสนุปมาเหมือนกับเป็นถุงหนังถุงกะระเพาะสัตร์อะไร แล้วของอะไรก็ไม่รู้ต่ออะไรไปใส่กันไปผมงนีช่องนิดหน่อยน้ำที่ปฏิกูลในนั้นมันก็ไหลออกมาดังนายเราก็มีลักษณะอย่างนี้มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเคยถามคุณหมอวอ่ากระดูกจริงๆนี่มีกี่ท่อนในพระบาลีนี่บอกว่าสามร้อยท่อนนะครับ ก็ยังไม่เข้าใจว่าของเรานี่นับยังไงก็คงไม่ผิดหรอกส า, 300ามร้อยท่อนนี่พระเจ้าทรงแสดงเองเลยเพียงแต่ว่านับยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าที่แพทย์ปัจจุบันเขาอธิบายเรียนทางสรีรวิทยามาเขาว่ามีสองร้อยกว่าท่อนสองร้อยกว่าแต่ก็ไม่ถึงไม่ในพูดถึงสามร้อย แล้วก็เส้นเอ็นก็เป็นสิ่งที่ยึดเอาไว้มีความเจ็บคข้ได้ป่วยอยู่เป็นนิดอันนี้ร่างกายเราก็อย่างนั้นนะนะวันๆเราก็ป่วยอยู่ทุกวันโดยเช่นว่านั่งนานก็ไม่สบายยืนนานก็ไม่สบายนอนนานก็ไม่สบายเดินนานก็ไม่สบายกินมากก็ไม่สบายกินน้อยก็ไม่สบายมันก็เป็นเหตุให้เจ็บคข้ได้ป่วยทั้งนั้น แสดงว่าบริหารมันยากร่างกายเนี่ยเป็นที่ที่บริหา ร, รายากยากมันเป็นภาระมันเป็นขันเป็นภาระที่จะต้องแบกวันกรมิโยมคนหนึ่งเขามาทำบุญวันเกิดจะบอกว่าจะเข้าโรงพยาบาลหมอเอกซเรย์พบว่าไอ้ช่วงต่อระหว่างแขนเนี่ย เพื่อแขนหลุดอ่ะแล้วก็หลุดมันก็มันมีอะไรไปค้ำอยู่ก็ต่อไม่ได้เพราะว่าสามีท่านร่างใหญ่แล้วป่วยแล้วท่านร่างเล็กอ่ะแล้วไปยกยกบ่อยๆแล้วปรากฏว่าแขนหลุดเลยก็บอกโยมมาเนี่ยสังขารขันห้ามันก็หนักอย่างเนี้ย ก็ไปแบกแบกเราก็แบกเราแบกขันของเรามันก็หนักแล้วไปแบกขันคนอื่นก็เลยก็หนักกันใหญ่ี่เรียกว่าเป็นภาระที่หนักจริงๆข้อต่อไปก็คือที่ภาระชนยกขึ้นไม่เป็นจริงแล้วคิดถึงกันโดยมากหมายความว่าเป็นที่ดํารด เป็นที่ดำมรีที่คนส่วนมากมันคิดคิดแล้วก็จินตนาการไปบันเกิดเพิดพลิงแล้วก็ลืมข้อบอกพร่องต่างๆหมดไม่ได้ใส่ใจในส่วนที่บกพร่องแต่ว่าไปกำหนดที่ส่วนซึ่งเราพอใจเรียกว่าเป็นดำมรีของคนมาก ก็คนที่ไม่ฉลาดนะฮะว่าจริงๆท่านใชก้กคำว่าละคือหมายความว่าคนเราถ้ายังไม่ฉลาดพอมันก็ลงโลกอย่างนี้เพลิดเพลินกับโลกอย่างนี้อย่างที่ทงแสดงไว้ว่าเธอตั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุกรัสรดโลกนี้หมายถึงทุกอย่างนะฮะหมายถึงทุกอย่างเราสัมผัส ที่พวกคนเขาเนี่เขาคล้องเขาค้องเขาติดอยู่ในโลกโลกอย่างเดียวกันนั่นเองวัตถุอย่างเดียวกันนั่นเองสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่ว่าท่านบอร์หนึ่งเป็นผูร้รู้ท่านก็ไม่ค้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์โลกตอนนั้นดังนั้นประเด็นที่อพระเทระนำมาแสดงเป็นวิธีการสอนนิ่ม สอนกรรมฐานที่นิ่มนิม่ในขนาดเดียวกันก็ติ่งความเป็นสมบัติของกุลสตรีที่อดีตพญ า, าวรจะมีไม่ใช่มาดักแล้วกันต่อหน้าคนอย่างนั้จอเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแต่แน่ น, นอนแล้วเธอก็ต้องโกรธอ่ะก็แต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็หนีทิ้งไปบวชเธอก็ต้องโกรธเป็นธรรมดา แต่ว่าเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ท่านหลายทั้งหลายนั้นท่านกอบดั่รุ่นน้แม้แสดงความจริงตดเตียนความปฏิกูลของรูปซึ่งมันเป็นข้ามันอย่างนั้นจริงๆเป็นการบอกล่าความจริงแต่ก็กระเบ้นเตือนมิ่มิคงฟังแล้วก็ไม่ถึงกรแท้กระทัะทนใจอะไรมากเกินไป แต่ก็จุกลุมิเธอเข้าใจนะเมื่อปฏิรักษะกลับไปแล้วต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุ์ในธรรมจึงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี